มาเกินักโวยอโอลิม ป, ปิกแต่ชกตรงอื่นคะแนนมันไม่ขึ้นต้องชกให้ถูกใบหน้ามันถึงคะแนนมัน จ, จะขึ้นชกตรงอื่นเขาไม่นับการที่จะปฏิบัติให้มันถูกก็ต้องดูกิจที่มันคิด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 อธิษฐ์ก็เป็นปัญญาด้วย <c oughs> แต่ปัญญาที่มันเป็นจินตญาณแต่ไปหลงมาเล่นงานกับตัวหลงตัวลู่เนี่ย ล, ลู่สึก <c oughs> ให้ลู่ศึ ก, ใ ห, กให้ไม่ไรลู่ลู่ที่กายไว่ายพลางๆพอมันชิดขึ้นมาก็บลู่พับสติให้ไว่ายสักหน่อยผู้ที่มีอารมณ์ อ้ทยังไม่ได้หลักก็ให้ได้หลักรูปนามให้เห็นรูปจะทาเห็นนามมาทมแล้วก็เข้าเป้าพอได้หลักแล้วก็ลาดับการกระทาที่แรกลาดับบ้างก็ไม่เป็นไรลาดับโูของเขาซ่อมวิชาอะไรก็ต้องลาดับ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 เมื่อเรายังไม่พบญาณเมื่อก่อนนี่ไม่มียาณไม่มีสติเราไม่ทันกับความคิดแต่แล่นไปกับความคิดนับไม่ท้วนอืหรือว่าความคิดก็คือเราเว่งไปตามความคิดอแต่ น, นเด็กกระชาติอันเดก็กขึนับไม่ไหวจนล้อมจนพระพุทธเจ้าด้อุทานครั้งแรกอืม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 เรมีลูกลูมันก็มีวัตถุภายนอกวัตถุภายในเกี่ยวข้องกันไปหมดยืนหมูยืนแมว้ากันไปป่าป่าเถือนเถื่อนแต่มีผู้ตรวจสอบมันก็จะไม่เถือนก็จะตรวจสอบอะไรพิจรอะไรถูกก็มีสตินั่นเองอันวันนี้กำนันมาพูดเรื่อง การบริหารส่วนท้องถิ่นชื่อของมาเป็นของไม่ดีแล้วก็เขาเอาราคากลางราคาหอกอจอเพราะไม่ได้ซื้อเพื่อประชาชนลำยิงป่องเขาเชื่อตนหนึ่งห้าร้อยบาท ลงพ่อซื้อได้ต้นละ450เรนจีกิงที่ตัดใหม่ๆยังไม่ได้ช้ำใส่กระถางต้นละ35บาทลงพ่อซื้อช้ำใส่กระถางแล้วต้นละ25บาทแต่มีคนตรวจสอบรู้ทันมันก็เาก็ยังสู้นะเรายังหาว่า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 ที่สูญจำต้องก็ยังต้องสังฆาธิเศสนะโอ้เร า, เาวางไว้นอนเลยเร า, เาวางไว้ฝังตงนะั้มหตวเช่าหน่อยเธอจักระาอุ้มมาถึงนีนเลยเลยะนแบบ่แบบแบบเซนกขพูดนะแต่ว่าถ้าไม่เก่งก็ไม่ใช่นะผลกเซนเนี่ยเสี่ยงถ้าไม่เก่งก็เสี่ยงนั่นนะถ้าไม่รู้จะเฉลยมันก็เป็นการบ้าน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 ไม่ง่าย ไ, ไม่ยากอ่าวันนี้ก็พอละสาธุพร้อมกัน